เพื่อได้กราบลาอาจารย์และเพื่อนร่วมสำนักบางคนเรียบร้อยแล้วกัปเจ้าก็ออกเดินทางอาศัยหมูเกวียนจากตากสิลามาสู่กรุงราชคลึกรอนแรมมาโดยลำดับค่ำณที่ใดก็หยุดพักณที่นั้นหุงหาอาหารกินการยังอิ่มน้ำสำราญพอดีเวลาที่กัปเจ้าเดินทางกลับคราวนี้เป็นชุนหปักแก่แล้วพอค่าลงสักครู่หนึ่ง พระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาเหนือทิวไม้สาสแสงสีนวลใหญ่ทั่วบริเวณที่เราพักกันบางคืนเราได้พักที่สวยงามเป็นทุ่งหญ้ากใกล้ภูเขามีลำธารไหลเอื่อยๆลมพัดเย็นสบายชาเช้ากุยนส่วนมากพอค่ำลงก็พากันนอนหลับเพราะต้องตรากตรำเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในการเดินทางกลับคราวนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามทาตนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนที่เดินทางด้วยกันข้าพเจ้าเป็นหมอใครเจ็บป่วยอะไรข้าพเจ้าก็ได้ช่วยเหลือและทำให้โดยไม่รังเกียจไม่เอาผลประโยชน์อะไรเลยดังนั้นจึงไม่ประหลาดที่แทบทุกคนนหมู่เกวียนจะมอบความรักใคร่เอ็นดูและนับถือในตัวข้าพเจ้าพราดาการเดินทางคราวนี้ ถ้าใจของข้าพเจ้าไม่เมัวแต่กังวลถึงจันทิมายอดหญิงของข้าพเจ้าแล้วจะมีความเพลิดเพลินหาน้อยไหมหรือมิฉะนั้นถ้าจันทิมาเดินทางร่วมมากับข้าพเจ้าด้วยแล้วทุกวันทุกคืนจะมีความหมายและเต็มไปด้วยความสดชื่นรื่นรมย่างยิ่งทีเดียวยิ่งบางคืนข้าพเจ้าปลีกตัวจากเพื่อนร่วมเดินทางไปนอนตากลมชมจันทร์อยู่คนเดียวด้วยแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงเธอเป็นที่สุดอยากจะให้กองเกวียนหมุนกลับไปสู่ตะ ก, กัศิลาเสียเหลือเกินจันทิมาชื่อของเธอก็บอกชัดอยู่แล้วว่าแสงจันแต่เธองามกว่าแสงจันบนเวหามากนักเวลานั้นภาพของจันทิมากําลังขึ้นสมองของข้าพเจ้าเห็นอะไรมองอะไรเป็นจันทิมาไปเสียหมดและอดนำมาเปรียบเทียบกับเธอไม่ได้ การเดินทางในป่าย่อมประสบพบเห็นอะไรแปลกๆข้าพเจ้าเห็นดอกไม้ป่าที่สวยงามตามธรรมชาติบานสะพรั่งเห็นนกเล็กๆเคียงคู่เกาะอยู่บนกิ่งไม้เห็นแสงเดือนแสงตะวันเป็นจันทที่มาไปหมดท่านเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นเด็กหนุ่มใยรุ่นและเพิ่งพบรักเป็นครั้งแรกเธอยังเป็นหญิงสาวชาวกัมพูเขาอีกข้าพเจ้ามองเห็นว่า เธอเป็นคนสวยที่สุดในโลกน่ารักที่สุดดีที่สุดเมื่อมานึกถึงเวลานี้อดที่จะขันตัวเองไม่ได้ความรักความหลงมันครอบงำใจทำให้กระสับกระส่ายวุ่นวายเหลือประมาณเมื่อมาพบพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตมองไม่เห็นรูปใดเสียงใดที่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุรุษ ได้เหมือนรูปและเสียงของสตรีเลยในภายหลังแล้วข้าพเจ้าก็อดคิดถึงคราวที่ข้าพเจ้าหลงไหลในจันทิมาไม่ได้เลยข้าพเจ้าเพียงแต่เห็นรูปฟังเสียงและสัมผัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงทําให้ข้าพเจ้าหลงไหลถึงเพียงนี้ ถ้ามากกว่านี้จิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรสมแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสว่ารูปเสียงเป็นต้นนั้นเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วมาพบคํารำพึงของปัญจสิกขเทพบุตรที่มีต่อนางพัทธาสุริยวัชสาเข้ามันช่างเหมือนความรู้สึกของข้าพเจ้าในสมัยนั้นเสียจริง จะต่างกันก็เพียงนางสาวสุริยะวชิสาไม่รักปัญจาศิกะเทพบุตรแต่จันที่มารักข้าพเจ้าด้วยเท่า น, นั้นท่านผู้เจริญลองฟังเล่นๆดูสิปัญจาศิกะเทพบุตรกล่าวไว้ดังนี้ดูก่อนแม่พัฒธาสุริยะวชิสา ฉันขอไหว้เท้าติมมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดเป็นนางงามปลูกความ ป, าปราบรื่มให้แก่ฉันเหมือนลมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงือ่อน้ำดื่มเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้จำรัดโฉมเป็นเที่รักของฉันคล้ายกับธรรมเป็นเที่รักของพระอรหันต์ฉะนั้นขอเธอจุงช่วยดับความเร่าร้อนเหมือนช่วย วางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่ายหรือให้โพชนะแก่ผู้หิวหรือดับไฟที่ลุกอยู่ในน้ำขอให้ฉันได้ซบลงจดณทันและอุทรของเธอเหมือนช้างผู้ร้อนจัดในหน้าร้อนยังลุงสู่สะโบโครณีมีน้ำเย็นประกอบด้วยละอองแห่งเกสอนดอกประทุมฉะนั้นฉันมึนเมาแล้วเพราะช่วงขาอันสมบูรณ์ด้วยลักษณะของเธอ เหมือนช่างเหลือขอเม่ยอมรับรู้แหลนและหอกสัตว์ด้วยถือว่าตนชนะแล้วฉะนั้นฉนันมีใจจดจ่อในเธอฉนันไม่อาจกลับดวงจิตที่แปรปรวนไปแล้วเหมือนปลาที่กลืนแบตเสียแล้วฉะนั้นนางผู้เจริญขอเธอได้กระวัติฉันไว้ขอเธอผู้มีดวงตาอันอ่อนหวานจงกระวัติฉันไว้ขอเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉนัน นั่นเป็นข้อที่ฉันปรารถนายิ่งนักความใกล้ของฉันในเธอผู้มีผมเป็นลูกคลื่นถึงจะมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายแก่พระอรหันต์ฉะนั้นบุญอันใดที่ได้ทำไวแล้วในพระอรหันต์ผู้คงที่มีอยู่ดูก่อนนางผู้งามทั่วสารพางขอบุญอันนั้นของฉันจงอํานวยผลแก่ฉันพร้อมด้วยเธอ บุญอันใดที่ฉันได้ทำไว้ในปัตภีมนทนนี้มีอยู่ดูก่อนนางผู้งามพร้อมขอบุญอันนั้นจงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับด้วยเธอดูก่อนแม่สุริยวัชสาฉันปรารถนาเธอเหมือนพระสากยบุตรพุทธเจ้าทรงเข้าชานอยู่พระองค์เดียวมีพระปัญญารักษาพระองค์ทรงมีพระสติเป็นมุนีทรงสแสวงหาอมตะ พระผู้จอมปราดได้บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดแล้วพึงชื่นชมฉันใดเธอผู้งดงามถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอก็พึงชื่นชมฉันนั้นถ้าเท้าส ก, กะผู้เป็นอิสระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงจะพึงประทานพรแก่ฉันไซฉันจะพึงเลือกเอาเธอเป็นแน่แท้ความอยากได้ของฉันมั่นคงถึงเพียงนี้ดูก่อนแม่ผู้เฉลียวฉลาด ท่านผู้ใดมีทิดาเช่นนี้ฉันขอน้อมไหวท่านผู้นั้นซึ่งเป็นบิดาของเธอซึ่งเป็นประดุษสารพฤก็์ผลไม่นานฉะนั้นปราดาคำรำพันของปัญจสิกขคันทพพระเทวบุตรเป็นอย่างไรของข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นต่างกันเฉพาะเทพบุตรองค์นั้น รำพันถึงแม่พัทธาสุริยวัชชาแต่ข้าพเจ้ารำพึงถึงจันทิมาและเทพบุตรยังมีการเปรียบถึงพระอระหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการดีดพินอิงอาศัยธรรมอิงอาศัยกามพร้อมๆกันไปแต่พินคือใจของข้าพเจ้าคร่ำครวญถึงแต่เรื่องกามอย่างเดียวเท่านั้นพราดาคนกําลังหายใจเป็นความรักเห็นความรักเป็นความหวาน ใรมาขัดใจก็ขัดเคืองอย่างข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างในบรรดาชาวกุเยเนที่เดินทางครั้งนี้มีสหายผู้สนิทคุ้นเคยกับข้าพเจ้าคนหนึ่งเขามีอายุแก่กว่าข้าพเจ้าหปีข้าพเจ้าอายุ2 2เวลานั้นและเขาอายุ28แดต่ดูท่าทางเขาแก่กว่ามากทั้งนี้เพราะความเคร่งกรึมและมีท่าทางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยพูดชนิดที่หาสาระไม่ได้ คุยกับข้าพเจ้าทุกคืนและทุกวันที่พอว่างเราคุยทูคอกันมากแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เราต้องขัดแย้งกันจังๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องโกรธกันเขาสาธยายทฤษฎีของนักปราชโบราณได้เก่งพอใช้เรื่องที่เราขัดแย้งกันมากก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรักดังเช่นคืนหนึ่งขณะที่เรานอนชมจันทร์อยู่ด้วยกันกลางลานหญ้า ข้าพเจ้าอดที่จะเผอตามปราสาคนมีรักในดวงใจไม่ได้ข้าพเจ้าพูดออกมาว่าโควินเธอรู้สึกอย่างไรในราตรีที่มีสายลมแสงจันทร์เช่นนี้ถ้ามีเสียงเพลงคอยขับกล่อมเพิ่มอีกสักอย่างคงสบายหาน้อยไหมนี่ก็มีแล้วโควินตอบเธอฟังสิเสียงจักจันทร์ใช่ไหมนั่นแหละเพลงตามธรรมชาติละ เพลงอย่างนี้ฉันฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยมันเสียงสัตว์ ร, ร้องตามเรื่องตามราวของมันต่างหากนั่นแหละฉันฟังว่ามันไพเราะกว่าเสียง ส, สตรีเป็นไหนไหนโควินเธอไม่ได้ละมอนะเธอยังไม่หลับหรือโควินขกษตเจ้าถามพร้อมกับเอามือจับแขนเขาเขย่าเบาๆขกเจ้าไม่นึกเลยว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จากปากของชายหนุ่มในวัยนี้ ทำไมเธอคิดว่าฉันละเมอหรือฉันพูดจริงๆถ้ามีเสียงเพลงจากผู้หญิงพร้อมกับสายลมและแสงจันทร์ด้วยแล้วเธอจะมานอนคุยกับฉันอยู่อย่างนี้ได้หรือมันคงยุ่งกว่านี้พิลึกละ่ะและเธอคงไม่นึกถึงฉันหรอกสุมานณะนี่โควินฉันถามจริงๆเธอเธอเห็นสตรีเป็นอย่างไรนะเธอถึงพูดอย่างนั้นก็เห็นเป็นสตรีนั่นแหละสุมานณะทำไมหรือ เธอพูดเหมือนเธอตัดกิเลสได้หมดแล้วนี่สุมาณะเธอคิดว่าเสียงเพลงสายลมและแสงจันทนระ์มันกินเข้าไปได้หรือกินไม่ได้หรอโควินแต่ฉันว่ามันเป็นยาชูกำลังทาให้ชุ่มชื่นที่ชุ่มชื่นอยู่เวลานี้นะ่ะเพราะกระเพาะของเธอชุ่มชื่นมาพอแล้วใช่ไหมสุมาณะฉันว่าถึงไม่มีอะไรทาให้กระเพาะชุ่มชื่น แต่ถ้ามีคนรักอยู่เคียงข้างและร้องเพลงให้ฟังท่ามกลางสายลมและแสงจันทร์ฉันก็พอใจและเห็นว่าดีกว่ากินอิ่มกระเพาะแห่างเหินจากคนอันเป็นที่รักที่เธอมีกําลังคิดถึงคนรักอยู่ได้เดี๋ยวนี้เขาพูดเหมือนรู้ใจข้าพเจ้าก็เพราะมีอาหารเต็มกระเพาะอยู่เสมอใช่ไหมสุมานณะ เพื่อนรักเธออย่าบูชาความรักเหนือความจริงตามธรรมชาติเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกความรักมันเดินไม่ได้โดยลำพังตัวมันเองมันต้องเดินบนอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและเงินทองของใช้เท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตเธอจะกัดก้อนเกลือกินอย่างไรทุกๆวันไม่ถึงอย่างนั้นดอกเพื่อนเอ๋ยแต่ฉันว่าความรักทำให้เรามีความชุ่มชื่นมีความหวัง และมีแรงบวกสามารถจูงใจให้เราทำอะไรต่ออะไรได้มากอยู่ทำให้คนขาดเป็นคนกล้าทำให้คนอ่อนแอเป็นคนเข้มแข็งเธอว่าอย่างไรฉันเห็นตรงกันข้ามกับเธอหมดทุกข้อฉันว่าความรักทำให้คนขาดความชุ่มชื่นก็จะมีแต่ความวุ่นวายกังวลทำให้คนหมดหวังพลาดหวังผิดหวังทาให้เกิดแรงลบไม่ใช่แรงบวก แต่สามารถจูงให้ทำอะไรต่ออะไรได้มากอย่างเธอว่าเหมือนควายที่เขาเอาเชือกร้อยจมูกแล้วและจูงไปได้ตามปรารถนาไม่เป็นอิสระแก่ตนเวียนกินหญ้ากินน้ำอยู่เฉพาะในบริเวณที่เขาเอาเชือกผูกไว้กับหลักทท่งนั้นและความรักทาให้คนขาดมากกว่ากล้ากลัวแม้กระทั่งสตรีตัวเล็กๆโบราณจึงกล่าวว่าอันความรักนี้มีพารานุภาพยิ่งนัก แม่บรุษผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจก็ไม่พ้นความคมขีแห่งความรักไปได้ชายบางคนมียศมีเกียรติมีทรัพย์และมีคุณความดีทุกประการเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นไทยแก่ตนจะประพฤติอะไรก็ประพฤติได้ที่ไม่ผิดครองธรรมนึกจะทาอะไรก็ทาได้ตามความปรารถนาอันไม่ขัดกับกฎแห่งบ้านเมือง ชายเช่นนี้จะคบใครก็ไม่มีใครรังเกียจถ้ายังเลือกไม่ได้ก็คงเป็นเพราะฝ่ายโน้นปราศจากลักษณะที่จะเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไม่มีอะไรทำให้เขาเสียความเป็นไทยแก่ตัวชายที่ถึงพร้อมด้วยอิสรภาพแม่เห็นป่านนี้เมื่อความรักเข้ามาครอบงำแล้วก็กลับกลายไปหมดสิน้นความเป็นไทยแก่ตัวก็เสื่อมถอยเพราะหัวใจถูกตรึงตราเสียแล้ว แม้เขาจะไม่เคยเกรงอำนาจพระอินทร์ไม่เคยกลัวเทวดาเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรที่สวรรค์บดีจะติโทษได้แต่กลับมากลัวสตรีตัวเล็กนิดเดียวซึ่งเป็นที่รักของตนทั้งนี้มิใช่เพราะสตรีมีอำนาจเหนือเทวดามารพรมที่ไหนแต่เป็นเพราะบรุษผู้นั้นตกอยู่ภายใต้อานาจแห่งความรักหัวใจถูกผูกมัดไว้แน่นหนาตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นท่าเสียแล้ว กษัตริย์ที่บดีผู้มีความสามารถสูงเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลายเป็นราชาแห่งราชาแต่ในที่สุดมาพ่ายแพ้อำนาจแก่ความรักความกลัวแม้สุนัขอันเป็นที่รักแห่งสตรีที่ตนหลงอย่างนี้จะมิเรียกว่าความรักทำให้คนคลาดล้วหรือสุมนณะคนที่เคยเข้มแข็งมาโดนความรักเข้าก็อ่อนแอได้สุมานณะ ฉันจะเล่าเรื่องให้เธอฟังคือนานมาแล้วมือฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญตะบะจนฝนไม่ตกเสียหลายตีพระเจ้าแผ่นดินและประชาชนเดือดร้อนจึงส่งหญิงงามไปยั่วยวนในที่สุดคนเก่งมีตะบะกล้าถึงกับทำให้ฝนไม่ตกแต่มาคอตกเพราะถูกอำนาจแห่งความรักหักขอเอาอย่างนี้จะว่าความรักทาให้คนอ่อนแอเป็นคนเข้มแข็งอย่างไรฉันยังมองไม่เห็นเลย ถึงสุมนณะเองก็เถอะสุมนณะเอย๋ยเธอเคยได้ยินคำสุภาษิตโบราณอย่างนี้บ้างไหมคือท่านกล่าวว่าความงามของสตรีอยู่ที่สัจจะแต่สตรีที่มีความงามอย่างนั้นจะหาได้ที่ไหนเธอนำความทุกข์มาให้แก่ผู้อื่นทั้งในเวลารักและเวลาเกลียดมากไปแล้วละโควินเธอดูถูกสตรีมองสตรีในแง่ร้ายเกินไป คนที่มีความดีความซื่อสัตย์จะไม่มีบ้างเฉลวหรือก็ลองความเลวร้ายของผู้ชายทำไมเธอจึงไม่นำมาพูดบ้างสตรีเพียงไม่ซื่อสัตย์บ้างบางคนก็ถูกตำหนิด่าว่าไปทั้งหมดสตรีเพียงไปคุ้นเคยกับชายอื่นบ้างเท่านั้นก็จะถูกมองไปในแง่ร้ายเป็นเรื่องเสียหายเหลือเกินไม่ต้องกล่าวถึงว่าไปมีสามีอื่นแต่พวกเราผู้ชายสิ มีพัญญาสามได้ในเวลาเดียวกันบางคนยังเลี้ยงผู้หญิงไว้เหมือนเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเสียด้วยซ้ําไปเมื่อตอนแรกๆก็บอกว่ารักเขาคนเดียวต่อๆมาเมื่อพบใครที่เป็นที่สบใจก็บอกอย่างนั้นอีกทั้งๆที่พัญญาคนเดิมก็มีอยู่เธอคิดว่าสตรีไม่มีหัวใจหรือโควินเธอไม่มีความรู้สึกชอกช้ำใจเลยหรือ ทำไมพวกเราผู้ชายจึงตราระเบียบของสังคมขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ชายฝ่ายเดียวไม่เป็นการเห็นแก่ตัวมากไปหรือโควินเพื่อนรักเธอว่าสตรีนำความทุกมาให้แก่ผู้อื่นทั้งเวลารักและเวลาเกลียดฉันไม่ได้ว่าเองคนโบราณเขาว่าไว้โควินออกตัวเอาเถอะเธอจะว่าเองหรือใครจะว่าไวก็ตามแต่เธอเอามาพูดก็แล้วกัน ฉันไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนั้นเลยสตรีแม้จะเกลียดใครสักเท่าไรก็ตามแต่ก็ไม่ทำร้ายใครเธอเพียงเกลียดเฉยๆเท่านั้นและคนที่เธอเคยเกลียดอย่างเหลือเกินนั่นแหละเมื่อประสบทุกข์ให้เธอเห็นความเกลียดที่เคยมีอยู่จะหายไปจะกลายเป็นความเมตตาสงสารซึ่งภาวะเช่นนี้ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะสมน้ำหน้ามากกว่าเมตตาอินดูคราวนี้ว่าถึงในเวลารัก เธอจะเอาอกเอาใจให้ความสะดวกสบายยอมเสียสะละเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักและจะว่าเธอนำความทุกมาให้อย่างไร คนที่ติดในรสของสซราชอบดื่มเป็นประจำและดูเหมือนจะขาดสราเสียไม่ได้ถ้าขาดไปดูเหมือนขาดทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลเช่นนั้นจ่ออดจะบพรนานาคุณของสซราไม่ได้เมื่อมีใครมากล่าวโทษของสซราให้ฟังเขาก็ต้องโต้เถียงคัดค้านและกโกรธเคืองผู้ตำหนิว่าเป็นผู้ไม่รู้จริงสุมนณะเ อ, อ๋ยเธอเวลานี้ก็เหมือนคนติดสุราคนนั้นแหละ และดูเหมือนจะติดยิ่งกว่าคนติดสุราซิอีกอันการเมาเหล้านั้นมันพอสั่งสาได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่คนที่เมารักหาเวลาสาั่งซาไม่ได้เลยแต่ฉันว่าจะเอาสุรามาเปรียบกับสตรีไม่ได้สุรามีแต่โทษโดยส่วนเดียวแต่สตรีมีคุณมากกว่าโทษนักเลงสุราเขาว่าอย่างนั้นหรือสุมนณะที่ว่าสุรามีแต่โทษโดยส่วนเดียวนั้น เป็นมติของนักเดอนสุราหรือว่าเป็นทศนาของผู้ไม่ติดสุราแต่ฉันยังเห็นว่าความรักเป็นสิ่งมีคุณค่าเป็นสิ่งน่าถนอมคนไม่มีความรักเป็นคนที่หัวใจแห้งเกินไปไม่น่าไว้ใจเขาอาจจะทำอะไรอะไรที่โหดร้ายได้หลายอย่างเธอมีท่าทีเป็นนักปราดอยู่ไม่ใช่หรือเธอชอบอ้างคาของคนโบราณฉันก็อ้างเป็นเหมือนกัน เธอได้ยินไหมที่นักปราดบางท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดมีจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยความงามของดอกไม้ความไพเราะของดนตรีและอาการเยื่อแกรายของสตรีสาวผู้นั้นถ้าไม่ใช่นักพรตก็เป็นสัตว์เดรัจฉานโควินคนไม่มีรักเป็นคนว้าเวเดียวดายฉันว่าไม่ดีและฉันยังเชื่อต่อไปว่าคนที่เป็นนักพรตจริงๆนั้นมีน้อยเหลือเกิน สุมาณะเพื่อนรักเธอจำไว้เถิดว่าคนที่มีความรักหรือมีรักอยู่ในหัวใจนั่นแหละหัวใจแห้งและอาจจะทาความชั่วต่างๆได้มากเพียงเพื่อสนองความต้องการของคนที่ตนรักยิ่งรักมากๆจนหลงด้วยแล้วก็เขาจะสามารถทำได้แม้แต่การฆ่ามารดาบิดาของตนเองสุมาณะเอย๋ยคนที่เป็นทาสเขาไม่เป็นอิสระแก่ตนเองนั้น จะต้องทำทุกอย่างตามความต้องการของนายแล้วแต่นายจะใช้แม้บางครั้งตนเองจะไม่พอใจทำก็ต้องทำทั้งนี้เพราะตัวเองเป็นทาสเขาจะไปไหนถ้านายไม่ยอมให้ไปก็ไปไม่ได้จะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็อยู่ภายใต้คำสั่งของนายทั้งสิ้นขุมมนณะภาวะของคนเช่นนั้นเธอเห็นว่าชุ่มชื่นสบายหรือในทำนองเดียวกัน จิตใจที่ตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นจิตใจที่หมดเสรีภาพเหมือนโคที่เขาผูกไว้กับหลักเหมือนสุนัขที่ถูกกล้ามไว้กับโซ่ตรวนเธอเห็นภาวะเช่นนั้นน่าสบายหรือสหายยิ่งเกี่ยวกับการเดินทางการต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักด้วยแล้วมันทําให้ใจแห้งมากกว่าชุ่มชื่นและภาวะที่ว่าคนเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจนั้น เป็นกฎที่ใครๆจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง พระเจ้ากล่าวว่าถ้าเรารักนายของเราเราก็สมัครใจจะอยู่กับนายได้ตลอดการและพอใจที่จะทําอะไรๆให้หนายได้โดยไม่เห็นเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยน่าเบื่ออะไรเราไม่ต้องการไปไหนเมื่อนายไม่ไปด้วยการเป็นทาสเขาถ้าได้นายที่น่าพอใจมันก็เป็นความสุขเป็นความรื่นรมเมื่อเราเป็นทาสที่ดีซื่อสัตย์นายจะไม่กรุณาเราบ้างเชีวหรือ เขาต้องรักเราและต้องเสียสละเพื่อเรามีหรือสุมณะนายที่ซื่อสัตย์ต่อทาตุเธอเคยมีตัวอย่างที่ไหนบ้างไหมที่นายยอมสละชีวิตเพื่อทาตอย่าถึงขนาดนั้นเลยเพียงสละผลประโยชน์ของเขาเพื่อทาตุก็หาไม่ได้เสียแล้วเรามักจะได้ยินแต่เรื่องท่าสละชีพเพื่อนายราชบุรุษนายทหารคนสนิทยอมพลีชีวิตเพื่อราชาของตน มีหรือสุมนณะที่นายยอมสะละชีพเพื่อทาตก็สัตต ريا ทิราชยอมสะละชีวิตเพื่อข้าราชบริพารคนที่พระองค์ทรงโปรโดข้าพเจ้ากล่าวว่าแต่ฉันว่าในความรักต้องมีอะไรดียังน้อยจะต้องมีคุณมีประโยชน์อยู่บ้างมิฉะนั้นแล้วคนทั้งหลายจะรักกันทำไมแม้มันจะมีโทษแต่มันก็ต้องมีคุณอยู่ด้วยสุมณนะในคุกในตารางนั้น มีอะไรดีกว่าการอยู่อย่างอิสระแต่ทำไมคนจึงมีอยู่ในคุกในไซในลอบในแห่มันมีประโยชน์อะไรนอกจากความพินาศวอดวายของปลาแต่ก็ยังมีปลาอยู่เสมอในที่เหล่านั้นในที่สุดแม้ในหลุมคูดก็ยังมีหนอนจำนวนมากสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อยู่หรือเธอเห็นอย่างไรโควินพูดจบพร้อมด้วยหัวเราะเบา และมองหน้าข้าพเจ้าอย่างจะให้รู้ซึ g ถึงความรู้สึกภายในแต่ขณะนั้นปฏิภาณก็แวบขึ้นมาในสมองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงตอบโควินว่าถึงอย่างไรความรักก็ต้องมีคุณอยู่ด้วยฉันยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีโทษโดยส่วนเดียวอย่างไรโควินเคยกินปลาในปลานั้นมีก้างอยู่ยิ่งปลาใหญ่ก้างก็ใหญ่ขึ้นตามตัว ถ้าใครกินก้างเข้าไปแล้วมาร้องโวยวายว่าปลาม่มีประโยชน์เลยกินแล้วเจ็บคอมันไปปักอยู่ในลําคอจะกลืนน้ำลายก็ลําบากคนนั้นเป็นคนโง่หรือฉล า, าดโควินตอบฉันทีเถอว่าก็ เ, าเป็นคนโง่หรือคนฉล า, าดข้าพเจ้ารุกบ้างแน่นอนคนนั้นเป็นคนโง่และโง่อย่างบาสบทีเดียวข้าพเจ้ากล่าวว่าก็เมื่อเราจาเป็นต้องกินปลาแล้ว เราจะกินก้างเข้าไปทำไมล่ะปลาเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่ร่างกายแต่มันมีสิ่งที่เป็นโทษคือก้างอยู่ด้วยเราก็เลือกแต่ประโยชน์ของมันละทิ้งสิ่งที่เป็นโทษเสียอย่างนี้จึงจะเป็นวิสัยของคนฉลาดเธอว่าอย่างไรโควินความรักไม่ใช่ปลาสุ ม, มนณนะเอามาเปรียบกันไม่ได้ความรักไม่ใช่ปลาที่เราจะเลือกกินแต่เนื้อเอาก้างทิ้งเธออย่าหาว่า ฉันไม่มีเหตุผลจะโต้อตอบแล้วจึงปฏิเสธอุทาหรณ์หรือคำอุปมาของเธอฉันขอถามเธอก่อนขอให้เธอตอบตามที่เป็นจริงเวลานี้สุมาณอายุเท่าไรยี่สองปีเศษเคยกินปลามาเท่าไรแล้วมากมายนับไม่ได้เคยก้างบ้างไหมไม่เคยเลยขอประธานโทษเคยมีความรักบ้างหรือเปล่าเคยรักมากี่ปีแล้ว ยังไม่ถึงปีเคยมีความทุกข์ความกลุ่มใจเพราะเรื่องรักบ้างไหมเคยสิโควินนี่แหละสมณะเพื่อนรักเธอจะเอาความรักมาเทียบกับการที่เรากินปลานั้นไม่ได้เธอกินปลามา22สองปีเสร็จแล้วไม่เคยก้างเลยแต่เธอมามีความรักเพียงไม่ถึงปีเธอก็มีความทุกข์เสียแล้วเธอมาก้างรักเสียแล้วถ้าเธอพูดเปรียบให้ถูกต้องพูดว่า ความรักนั้นเหมือนก้างปลาไม่ใช่เนื้อปลาใครกินเข้าต้องก้างทุกคนและต้องระมัดระวังเป็นที่สุดเผลอเมื่อไรก้างเมื่อนั้นจะให้เปรียบความรักกับปลาได้อย่างไรฉันขอยืนยันกับเธอไว้ในที่นี้อย่างเด็ดขาดว่าใครก็ตามที่มีความรักมาถึง22ปีแล้วไม่เคยมีเรื่องต้องเดือดร้อนใจเพราะความรักเป็นเหตุเลยนั้นไม่มีในโลกนี้อย่าว่าถึง22ปีเลย แม้เพียงห้าปีก็หาไม่ได้